กองทัพธรรมธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเทระพระธรรมเทศนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่32เรื่องสภาสงครามัตราวดีกษัตริย์แห่งกัมปิละถอยทัพกลับด้วยความรู้สึกเหมือนหนึ่งมีอะไรมาเสียแทงพระอุระ ตลอดเวลาในระหว่างทางได้พบอมาต ร, รายหนึ่งเส่งเดินทางจากกัมปิละกราบทูลพฤติกรรมภายหลังที่ยกทัพออกว่ามีชนหลายกลุ่มที่กระจัดกระจายกันล่วงหน้าอยู่ในกรุงกัมปิละได้เขายึดประตูเมืองปลดอาวุธทหารรักษาพระราชวังแล้วเข้าจับกลุ่มพระมเหสีพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาซึ่งเดินทางโดยด่วนไปแต่ในราตรีการกว่าจะรู้เรื่องกันทีทวน รุมชนที่ยึดประตูก็หนีไปแล้วเวลากรล่วงไปจนไม่ทราบว่าจะตามไปทางไหนนอกจากส่งคนออกตามทุกทางที่สงสัยการจู่โจมทำการโดยไม่ทันรู้ตัวทั้งนี้ท่านมหาอมาตยผู้รักษาพระนคสรสั่งให้มากราบทูลรับผิดและยอมถวายชีวิตด้วยพระราชดุสนีไม่รับสั่งอะไรออกมาเลยกริยัแห่งกัมปิลละสั่งเดินทางต่อไปเรื่องที่พลาดพรัง้งติดกันถึงสองครั้งเป็นเรื่องใหญ่ จนไม่สามารถจะคิดถึงเรื่องอื่นอีกได้ความมึนงงและเศร้าสลดระดมมาสู่พระองค์ประเนินว่าจะทําให้เสียพระสติไปผลช้างผลมา้าและผลเดินเท้าซึ่งในตอนออกจากกัมปินละร่าเริงและมีหวังในชัยชนะอย่างเต็มที่นั้นเต็มไปได้วยความเงางอยอิดโรยเดินทางกลับทั้งที่ไม่ได้ถูกอาวุธหรือเหนื่อยบอบช้าอะไรเลย ลมหนาวในราตรีโชยมาหนักแต่กองทัพกัมปินละก็เร่งเดินทางกลับแม้ในราตรีเช่นนั้นจะพักก็เพียงเพื่อหงหาอาหารและพ่อหายเหนื่อยเท่านั้นแล้วก็เร่งพ้เดินทางต่อไปอย่างเร่งร้อนความห่วงใยในพระมเมศสีในพระโอรสและธิดาเป็นเรื่องใหญ่ส่วนหนึ่งที่สามารถทําให้กองทัพที่ยังไม่บอบช้าเลยถอยมาได้เป็นการลงทุนน้อย แต่ก็ได้ผลอย่างไพศาลของอายุทยามหานครอะไรเช่นนั้นกองทัพกัมปินละกลับเข้ากรุงเรียบร้อยแล้วกษัตริย์ผู้รักครอบครัวยิ่งกว่ามนุษย์อื่นๆก็เร่งให้คณะทูตรีบออกเดินทางไปขอรับพระมหิีพร้อมทั้งให้อ่อนวอนขอพระรโอรสิดากลับมาด้วยทันทีแต่ทางอายุทยาก็คงรักษาวาจาไว้คือ ให้แต่พระมเหสีต่อเมื่อครบปีแล้วจึงจะมอบพระโอรสหรือธิดาให้สุดแต่จะเลือกปีละพระองค์จนกว่าจะหมดทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของอยุทยาเองในอยุทยาแม้พระเจ้าสุรสนะจะไม่ทรงฉลองชัยเพียงแต่ทรงปูนบำเหน็จคณะทหารที่ไปทำการจูโจมลักพราครอบครัวแห่งกษัตริย์กัมปิลละมาได้รวมทั้งไพรพล อ, อื่น ที่ร่วมกันในการป้องกันพระมานครแต่ก็ไม่ทรงสามารถที่จะห้ามพระสนิกรมีให้พากันฉลองความปลอดภัยกันอย่างอึกระเบิดต่างพากันถวายพระพรขอให้กษัตริย์หนุ่มของตนทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานด้วยความจงรักภักดีอย่างแท้จริงกษัตริย์กรุงกัมปิลา มีพระอาการคล้ายผู้วิกจริตไปพักหนึ่งประทับเยียบแผมอยู่ในพระราชมทียนไม่ได้ออกว่าราชการทรงสั่งให้นํามหาอํามาตย์ผู้รักษาพระนครไปพรานชีวิตแล้วมอบให้มหาอํามาตย์อีกผู้หนึ่งดูแลราชกิจแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวเวลาล่วงไปประมาณสองเดือนเมื่อผ่อนคลายความโศกลงได้แล้วก็ทรงคิดการใหม่ต่อไปทรงเห็นว่าอุบายนั้นจะมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในการทําลายล้างอายุธยา และในการได้ขึ้นมาซึ่งพระรโอรสและพระธิดาของพระองค์ที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันจึงมีพระชาสารพร้อมทั้งได้แต่งทูตผู้มีโวหารดีให้กำกับไปด้วยเร่งให้เดินทางไปยังปัญจาลภาคเหนือเพื่อเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งจัตตราวดีพระอนุชาต่างบรรดาของพระองค์โดยเร่งรีบ กษัตริย์แห่งชัตราวดีรัชธานีแขวนปัญจาละภาคเหนือได้รับพระรชาชสารและรับสั่งให้ราชทูตเข้าเฝ้ากราบทูลรายละเอียดเป็นการภายในแล้วก็ทรงตรึกตรองด้วยความรอบคอบการที่ทัพกัมปินละพ่ายแพ้ยับเยินครั้งแรกและต้องถอยเพราะถูกบังคับในครั้งที่สองย่อมแสดงว่าอโยธยาม่ใช่เมืองเล็กเมืองน้อยหรือปราศจากเครื่องป้องกัน ดังที่กษัตริย์แห่งกัมพิละทรงมินประมาทในเบื้องแรกเลยบัดนี้ทรงอ้อนวอนมาในพระศาสา์ขอยกทัพไปเหยียบอยุดยาแทนพระองค์และชิงพระโอรสธิดาคืนมาโดยให้นึกว่าเป็นการช่วยหลานทั้งสี่จากข้าศึกถ้ากษัตริย์กัมพิละจะยกทัพไปเองข้าศึกก็จะทำรายพระราโอรสธิดาให้ถึงอันตรายใจชีวิตได้จึงใคร่จะขอให้พระอนุชายกไปเป็นส่วน ชตราวดีเองและกัมปินละก็จะลอบส่งกองทัพมา้าและช้างมาร่วมมือด้วยในที่นัดพบและยกเข้ายึดอยุธยาต่อไปในที่สุดก็ได้ส่งกำชับให้ปิดความเรื่องนี้และให้ปกปิดแม้การเคลื่อนไหวแห่งกองทัพเพราะถ้าอายุธยารู้ล่วงหน้าก็จะหาทางป้องกันเป็นการยากใจการจูดโจมให้พ่ายแพ้โดยรวดเร็วอันกรุงชตราวดีนั้น นับได้ว่าเป็นราชธานีที่รุ่งเรืองและมีชื่อเสียงเมืองหนึ่งในภาคเหนือมีฐานมาผู้ชำนาญในการรบบริเวณภูเขาและมีฐานแม่นธนูอันได้ฝึกไว้ดีแล้วเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นแมกองทัพช้างก็มีความเข้มแข็งเคยร่วมมือกับทัพกัมปินละต่อสู้กับกองทัพกุรุมาแล้วหลายครั้งจัดได้ว่ามีผู้ชนานาญการศึกษาสงครามเป็นอันมาก บัดนี้ฤดูเห็มบันจวนสิ้นแล้วพอพระจันทร์เต็มดวงโคจรผ่านกลุ่มดาวชื่อภคุณีไปได้ราตรีหนึ่งรุ่งขึ้นก็จะเริ่มคิมหรฤดูคือฤดูร้อนพระราชาสั่งให้รัชทูตกัมปินละพักอยู่ชั่วเวลาหนึ่งเพื่อทรงตรึกตรองหาช่องทางเมื่อตัดสินพระไทยประการรียแล้วจะได้ตอบไปให้กษัตริย์แห่งกัมปิละทรงทราบต่อไป ภ า, าสงครามของจัตราวดีเปิดประชุมโดยมีพระราชาเป็นประธานประกอบด้วยเสนาบดีมหาอามาตย์และในทหารผู้ใหญ่ครบครันพระราชาทรงเล่าพฤติการที่เกิดขึ้นจนถึงเรื่องที่กษัตริย์แห่งกัมพิละทรงมีพระราชสารมาขอให้ยกทัพไปปราบอยุธยาโดยจะให้ทัพช้างและทัพม้าผสมไปด้วยขอเพียงให้นําไปในนามของจัตราวดีเท่านั้นในการนี้ ใครจะเห็นเป็นประการใดขอให้กล่าวออกมาซึ่งข้อชิดของตนโดยไม่อำพรางเพราะถือว่าแต่ละคนก็มีความปรารถนาดีด้วยกันนายฐานผู้หนึ่งกล่าวว่าเทวะเมื่อพิจารณาถึงมูลเหตุก็เห็นได้ว่าเป็นความผิดอย่างแท้จริงของกัมปิละที่ไม่ใฟสงบก่อเรื่องขึ้นเพราะความโลภอย่างเดียวอันนึ่งการที่พ่ายแพ้มันถึงสองครั้งนั้น แสดงว่าประมาทในการสืบสงครามจนศัตรูใช้ความคิดหรืออุบายง่ายๆก็สามารถเยบยางการรุกรานได้สำเร็จนอกจากนั้นเมื่อกำปินละพ่ายแพ้จนหมดทางแล้วก็หาทางจะมายืมมือของพวกเราตลอดจนชีวิตเลือดเนื้อของชาวฉัตราวดีให้ไปแก้แขนแทนให้อีกเล่าข้าแต่พระราชาธิบดีข้าบรมขอพระราชทานพระบรมราชาโองการ ที่กล่าวข้อความตรงไปตรงมาอันกระทบถึงพระเชษดฐาของพระองค์แต่ที่กล่าวนี้ก็ไม่ใช่ว่ากลัวหรือหวาดต่อค่าศึกสงครามหากต้องการจะชี้ว่ามูลเหตุเดิมผิดถูกมาอย่างไรแต่บัดนี้เมื่อทางกัมปิลลกของร้องมาและในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระอนุชาจะตอบปฏิเสธไปก็จะเป็นการตัดเยื่อใยและไม่สานึกในญาติธรรมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ จึงเห็นว่าควรรับช่วยเหลือแม้จะไม่เต็มใจแม้จะเป็นการก่อสงครามเพื่อเช็ดล้างของสูโโรคที่ผู้อื่นทำไว้เราก็ไม่มีทางหลีกเพราะเมื่อขว่างงูไม่พ้นคอก็จะต้องจัดการกับงูนั้นแม้ด้วยความจำใจที่ประชุมเงียบแสดงว่าทุกคนใช้ความไตรตรองอย่างหนัก ในที่สุดคุนพลแห่งชตราบดีจึงกราบทูลขึ้นว่าเทวเมื่อพิจารณาดูเจตนาแห่งพระเชษฐาของพระองค์แล้วก็อาจมองได้เป็นสองทางประการแรกคือเพียงให้ได้พระโอรสและพระธิดากลับคืนมาโดยไม่ต้องคอยไปจนกว่าจะครบสี่ปีจึงจะได้รับมาหมดทุกพระองค์การสงครามซึ่งจะเกิดขึ้นครั้งนี้ก็เพื่อรัดเวลา การคอยของพระเชษฐาให้เหลือสั้นที่สุดประการที่สองดูเหมือนจะทรงคิดไกลไปกว่านั้นกล่าวคือต้องการให้ทัพสตราวดีร่วมกับทัพผสมของกัมพิละเข้าเหยียบย่ําทําลายอยุธยาเพื่อเป็นการช่วยโปรง่งหลางแขนที่ต้องพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายนั้นเกราวนี้จึงควรพิจารณาว่าเราจะช่วยเพียงให้ความต้องการข้อแรกสําเร็จหรือให้ได้คืนมาซึ่งพระอรรถพระธิดานั้น หรือจะช่วยทำลายล้างอายยธยาเป็นการแก้แขนด้วยเพราะการดำเนินงานทั้งสองอย่างนี้มีผลไม่เหมือนกันคือถ้าเพียงแต่ให้พระโอรสทิดากลับคืนมาสู่กัมพิละเราก็อาจแต่งคณะทูตไปเจรจาแต่โดยดีโดยขอร้องให้อโยธยาทรงคืนผู้ที่ถูกกักตัวเหล่านั้นเสียและชตราบดีก็จะขอประกันไม่กัมพิละยกทัพไปรุกรานอีกการกระทาดังนี้ก็เท่า กับเป็นคนกลางไกลเกลี่ยให้สำเร็จสิ่งพึงประสงค์ทั้งของอโยธยาที่ไม่ต้องถูกรุกรานทั้งของกัมพิละที่ต้องการได้ตัวบุคคลคืนมาแต่ถ้าทำในประการที่สองชตราบดีก็จะต้องลงทุนด้วยราคาแพงจะต้องเฑนผู้คนไปรบกับผู้ซึ่งไม่เคยเป็นศัตรู ก, กันมาก่อนหากเป็นการรบเพื่อแก้แค้นแทนผู้อื่นซึ่งไปก่อเรื่องเอาไว้เป็นการรบที่เกือบจะไม่มีความหมายอะไรเลย เพราะอายยธยาอยู่ไกลกับชัตราบดีมากไม่เคยก่อความเดือดร้อนอะไรให้ในายทหารอีกผู้หนึ่งกล่าวว่าข้าแต่พระราชาธิบดีขรระเจ้าเห็นด้วยกับถ้อยคำของท่านเสนาบดีเป็นอย่างยิ่งว่าควรในประการแรกคือเพียงสงทูตไปขอพระโอรสและพระธิดาของพระเชษฐาของพระองค์คืนมา ส่วนการที่จะยกทัพไปรุกอโยธยานั้นยังมิใช่กาละและยังไม่มีเหตุอนนันควรทหารของจัตราวดีนั้นเคยเป็นที่เรื่องลือในสมรภูมิมาแล้วว่ามีความกล้าหาญและเป็นทหารมีฝีมือดีมิใช่คนขาดแบบคำโบราณกล่าวว่าเหมือนกาเห็นธนูของนายพรานแต่ทหารของจัตราวดีก็มีความชิดและมีสิทธิ์จะคิดว่า ในกรณีเช่นไรควรรบในกรณีเช่นไรควรหาทางอื่นก่อนเมื่อทางออกไม่ได้แล้วและเป็นความประสงค์ของพระมหากษัตริย์ข้าพระองค์ทั้งหลายก็พร้อมที่จะถวายชีวิตเพื่อปฏิบัติตามพระราชาประสงค์โดยไม่ได้ลังเลประการใดเพราะพระองค์ได้แสดงให้ประจักษ์อยู่ตลอดมาว่าแม้จะทรงมีพระชำนาาสั่งการได้โดยเด็ดขาดแต่ก็ทรงเรียกประชุม ฟังความคิดเห็นของคณะมนตรีในเรื่องการสงครามทุกสมัยมาไม่เคยตัดสินพระไทยไปโดยผลาการแม้แต่ครั้งเดียวพระคุณข้อนี้ข้าพรงทั้งหลายพากันสำนึกอยู่โดยทั่วกันในขณะที่ความเห็นกำลังเป็นไปในทางสันตินั้นนายทหารอีกผู้หนึ่ง ซึ่งควบคุมภายในพระราชมนเทียนก็กล่าวขึ้นว่าเทวะข้าพระองค์ได้ฟังความเห็นที่แสดงออกนี้แล้วเห็นด้วยในบางส่วนแต่ก็ไม่เห็นด้วยในบางส่วนที่ว่าเห็นด้วยนั้นก็คือถ้าพิจารณาในทางศีลธรรมหรือศาสนาแล้วการดำเนินนโยบายแบบสันติดโดยยื่นมือเข้าไกลเกลี่ยระหว่างกัมพิละกับอยุธยาโดยจตราวดีเป็นผู้ค้าประกัน ไม่ให้มีการรุกรานกันอีกนั้นก็น่าพิจารณาแต่ที่เราอยู่กันทุกวันนี้เราอยู่ในโลกเราไม่ได้เป็นนักบวชจึงไม่จำเป็นจะต้องคิดและทำแบบนักบวชเสมอไปเรื่องของโลกนั้นจะต้องต่อสู้แข่งขันชิงดีแม้ไม่ได้โดยตรงก็ควรจะได้โดยอุบายจิงอยู่การสงครามระหว่างชัตราวดีกับอโยธยาถ้าเกิดขึ้นเราจะต้องระดมพลจะต้องเดินทางลงสู่ภาคใต้ ซึ่งก็ต้องมีความลำบากอยู่บ้างแต่การทําอะไรในโลกนี้ที่จะไม่ให้ลําบากนั้นก็หายากแม้การทําให้อาหารเข้าปากก็ต้องใช้มือช่วยเมื่อกลัวความยากลําบากก็ไม่ต้องทําอะไรกันความอายของพระเชษฐาแห่งกัมพิลนั้นคิดดูให้ดีก็เป็นความอายของพระมากษัตริย์แห่งชตราวดีด้วยแม้จะเป็นพระราชภารดาต่างพระมารดาอันหนึง่ง กิติศัพ์ก็เรื่องลืออยู่ไม่ใช่น้อยว่าอายุทยานั้นอุดมสมบูรณ์ถ้าเรายึดได้เมืองที่อุดมสมบูรณ์ก็จะไม่เป็นประโยชน์และเป็นการเพิ่มความมั่งคั่งให้แกเราดอกหรือเพราะถ้าการรบคราวนี้สาเร็จแล้วจัดตราบดีจะยิ่งใหญ่ทั้งทางชื่อเสียงและทางกำลังกล่าวโดยย่อการสงครามครั้งนี้ไม่เชิงเพื่อแก้แค้นแต่เพื่อเพิ่มพูนความยิ่งใหญ่ให้แกจัตตราบดีมากกว่า เพราะในคดีโลกการสร้างความเป็นใหญ่ถือว่าเป็นของธรรมดาที่ไม่น่าตำหนิอย่างไรเลยนายทหารผู้นั้นพูดจบมหาอมาตยผู้หนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นทหารแต่เป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบในราชจิตซึ่งได้รับความไว้วางใจให้เข้าประชุมสภาสงครามด้วยก็กล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระราชาธิปดี ค่อยคำของนายทหารผู้ ด, ดูแลพระชมนเทียนทียนคิดการอย่างชาวโลกมิใช่อย่างนักบวชมีข้อที่ควรพิจารณาอยู่คือปัญหาที่ว่าเมื่อเราอยู่ในโลกเป็นชาวโลกแล้วก็ควรเป็นโลกด้วยประการทั้งปวงโดยไม่คํานึงถึงศีลธรรมเลยหรือว่าต้องอิงอาศัยกันและกันบ้างข้าแต่พระราชาทีบดีพระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับความสรรเสริญสาธุการจากประชาราชนทั้งหลายนั้น เป็นเพราะตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมไม่ใช่หรือจึงสามารถปกครองมหาชนให้ตั้งอยู่ในความสุขสงบเป็นอันดีถ้าพระมหากษัตริย์จะทรงคํำนึงว่าเมื่ออยู่ในโลกก็จะทําการอย่างชาวโลกโดยไม่ระลึกถึงศีลธรรมแล้วก็จะมีแต่เสียงสาบแช่งดังพระเจ้าปิงคละเป็นแท้พระเจ้าปิงคละเป็นผู้ดุร้ายไม่คิดถึงธรรมะเบียดเบียน ผู้อยู่ใต้ปกครองให้เดือดร้อนอยู่เป็นนิดแม้นายประตูซึ่งเฝ้าอยู่ประจำตามหน้าที่เมื่อเสด็จผ่านก็มักใช้พระหัตถ์ประทุษร้ายศรีศรษะเป็นประจำด้วยเห็นเป็นของสนุกครั้นพระเจ้าปิงคละสิ้นพระชนม์อาชีพเมื่อคนทั้งหลายเห็นนายประตูร้องไห้จึงถามว่าใครใครเขาดีใจกระทั้งนั้นเหตุไฉนจึงร้องไห้เล่านายประตูตอบว่าไม่แน่ใจว่า จะสิ้นพระชนชีพจริงเกรงว่าเมื่อไปในประโลกไปประทุษร้ายเบียดเบียนเขาเขา้าเขาจะส่งคืนมาอีกตนก็จะต้องเดือดร้อนต่อไปไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นที่ร้องไห้จึงไม่ใช่เพราะเสียดายแต่เป็นเพราะเกรงจะกลับมาอีกอย่างไรก็ดีนี้เป็นเพียงนิทานสาธกในเรื่องธรรมะแต่ข้ออื่นยังมีอยู่อีกข้าแต่สมุติเทพในการปกครองนั้นพระราชา ย่อมมีความผาสุกมีความปลาดโปรง่งในเมื่อมหาชนตั้งอยู่ในศีลธรรมไม่มีใครคมเหงเบียดเบียนกันการที่ต้องสร้างเครื่องจองจําและแม้เรือนจํานั้นก็มีใช่เหตุอื่นนอกจากเพื่อกักหรือปราบคนผู้ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลธรรมเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าศีลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งในฝ่ายผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองข้าแต่ส ม, มุติเทพ การครองชีวิตยอยู่ในโลกและจะทําการใดๆอย่างโลกโลกโดยไม่คํานึงถึงคุณงามความดีนั้นชีวิตของคนจะใกล้ไปข้างสัตว์มากขึ้นนึกจะแย่งชิงข่มเหงใครก็ทําตามชอบใจนึกจะทําอะไรก็ทําได้โดยไม่ต้องมีเครื่องหัดข้ามยับยัง้งเมื่อเป็นดังนี้ความเป็นมนุษย์ก็หามีความหมายอย่างไรไม่แท้จริงมนุษย์เหล่านี้ที่ดีและสูงขึ้นมากกว่าสัตว์ก็เพราะ รู้จักสอนใจรู้จักยับยั้งไม่ทำตามใจตนเองไปหมดซสทุกอย่างรู้จักตั้งกฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนขึ้นเพื่ออยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกเทวะแห่งชตราวดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ดำเนินสายกลางจากคติอันนี้แม้จะเป็นชาวโลกก็ไม่ควรมีความเป็นอยู่แบบโลกจนไม่คำนึงถึงธรรมะบ้างเลย ควรจะน้อมธรรมะมาใช้พอสมควรเพื่อช่วยตกแต่งจิตใจและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นไม่เช่นนั้นก็จะไม่ต่างอะไรกับความเป็นอยู่ของคนป่าในสมัยที่ยังไม่รู้จักคำว่าอะไรคือคุณงามความดีเทวะแห่งชัตราวดีถ้าพระองค์ยังทรงรลกได้ถึงบทเพลงที่เตือนใจไม่ทําอะไรกันอยู่ในทางเกินพอดีพระองค์ก็คงจะทรงได้ยินว่าบทเพลงนี้ ได้สนับสนุนพระโอวาทเรื่องทางสายกลางเป็นอย่างดีข้าพระอง์จะข อ, อนำมากล่าวในทีนี้ด้วยคือลังกาถูกกําจัดเพราะหยิงเกินไปราชวงศ์กุรุถูกกําจัดก็เพราะถือตัวเกินไปยักษ์ชื่อพลีถูกมัดก็เพราะให้มากเกินไปขึ้นชื่อว่าความเกินไปทุกชนิดถูกติเปตียนทั้งนั้น ตัวอย่างเห็นความพินาศทั้งสข้อนี้แสดงให้เห็นความเกินไปทั้งนั้นและเราก็เห็นและรู้กันอยู่ตามแนวนิยายโบราณที่กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นข้าพรง์จึงขอสนับสนุนถ้อยคาของท่านเสนาบดีที่ให้เราช่วยส่งคณะทูตไปเจรจาขอพระอรสพระสิดาของพระราชาแห่งกัมปิลาคืนมาส่วนการสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ชตราบดีนั้นข้าพรง์ ไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องเดินทางหลายสิบโยชดไปสร้างถึงอยุธยาทำไมเราไม่สร้างทิ่ชตราบดีเองให้ทุกสิ่งทุกอย่างจเจริญขึ้นเราจะขยายเมืองออกไปขยายการค้าขายการเพราะปลูกให้ชตราบดีมั่งคั่งขึ้นอย่างไรก็ได้ดูไม่เห็นมีความจําเป็นจะต้องยกทัพไปสร้างที่อื่นและยิ่งกว่านั้นในที่นี้เราก็ยังไม่ได้พูดกันเลยว่าเราจะใช้ยุทธวิธีอะไร ในการโจมตีอโยธยาซึ่งจะต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบมีการเตรียมการและคิดอุบายหลายชั้นมิเช่นนั้นก็จะเป็นอย่างทัพกําปินละซึ่งแตกมาถึงสองคราวอย่างน่าละอายที่สุดเสนาบดีแห่งแคว้นปัญจาละกล่าวสรุปในที่สุดว่าข้าแต่พระราชาธิบดีความเห็นของเราทั้งหลายอาจจะตรงกันบ้างแย้งกันบ้างแต่ก็เพื่อความเจริญ และความสวัสดีของชาตราวดีเป็นที่ตั้งและแม้ที่กล่าวว่ายังไม่มีเหตุผลและยังไม่ถึงการละอันสมควรที่จะทําสงครามด้วยอยุธยาก็มิใช่กล่าวด้วยเกรงกลัวค่าศึกความกล้าหาญของนักรบชาวชาตราวดีเป็นอย่างไรย่อมเป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองมาแล้วในอดีตการแม้เช่นนั้นคือแม้จะมีเสียงข้างมากสนับสนุนมติของข้าพระอง์ให้ใช้วิธีแรกคือ ยอมส่งทวดไปเจรจาขอพระราชทานโอรสและพัธิดาคืนแด่พระเชษฐาก็ตามถ้าพระองค์ปรารถนาจะช่วยยิ่งกว่า น, นั้นคือในประการที่สองโดยยกทัพไปแย้แค้นแทนพระเชษฐาพวกข้าพระองค์ทั้งหลายก็พร้อมที่จะสนองพระราชประสงค์ทุกประกา ร, ราาเมื่อเสียงส่วนใหญ่เป็นไปนในทางสันติ กษัตริย์แห่งชตราบดีทรงพิจารณาแล้วเห็นด้วยจึงรับสั่งให้ทูตแห่งกัมพิละเข้าเฝ้าทรงชี้แจงแล้วให้แต่งพระราชสารต่อไปพระราชาแห่งกัมพิละสงนิ่งอึง้งที่เห็นการไม่ได้เป็นไปตามพระราชประสงค์เพราะเนื้อแท้ในการส่งทูตไปครั้งนี้คือเพื่อให้ชตราบดีเข้าสู่สงครามกับอยุธยาเมื่อชตราบดีจะกลายมาเป็นฝ่ายไกลเกลี่ย ก็เท่ากับชตราวดีกลายเป็นรัชธานีฝ่ายผู้ใหญ่ซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้นเพราะราชาแห่งชตราวดีก็มีศักดิ์เป็นน้องในที่สุดเมื่อยังไม่ทรงเห็นทางอื่นก็ทรงยับยัง้งที่จะดำเนินการใดๆไว้ชั่วคราว